แต่มันน่าเกลียดไม่เล่าดีกว่าคือบางคนไปเรียนอภิธรรมนะคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นขันธีบอกจริงๆแล้วฮอร์โมนอะไรต่ออะไรเนี่ยปกติเลยเป็นคนปกติเหมือนคนทั่วๆไปนี่เองแต่จิตน้มันพ้นอิทธิพลของกายไปหมดแล้วนะไม่ใช่ภาวนาแล้วเลยพิกลพิการ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 แล้วก็แต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยค่ะจะฟุ้งซ่านเพราะว่ามันจีเป็นปัญหาเรื่องเสียงภาคในหัวหแล้วมันก็จะมีตลอดทั้งอบรมตักเตือนอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งรู้สึกว่ามันก็มาดูใจอีกว่ามันมันไม่เป็นกลางก็ถอยออกมาก็ก็ดูเป็นภาพรวมๆว่าเป็นฟุ้งซ่านแต่ก็มันก็รู้สึกเหมือนดูห่างๆก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถ้าถูกนะเราก็ไม่เด็ดร้อนกับความฟุ้งซ่าน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 ถามว่ากรับเรียนถามว่าจะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์แล้วท่านบอกว่าพยายามอย่าทำก็พยายามแล้วไม่แน่ใจค่ะได้ดีขึ้นเลย่ได้ดีขึ้นอ้าวหนุ่มนี่แล้วไงภาวนาเป็นไงเออภาวนาอย่างอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าใจใจอย่างตอนนี้นี่ถือว่าไม่ไม่ยังไม่ไม่ถึงฐานอย่างนี้ใช่ไหมคไม่ถึง <ME AR> เหมือนจะรู้ตัวแต่ว่ามันก็ ocation, มันไม่รู้จริงไม่รู้จรงิงใช่ไหมครับรู้อยู่นอกนอกครับก็รู้ไปว่ามันรู้อยู่นอกนอกครับอย่าอยากรู้เข้ามาให้ถึงฐานนะมันมันมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอย่างนี้มันยังไม่ใช่อะไระแล้วเราไม่ชอบครับไม่ใช่ไม่เป็นไรนะไม่ชอบเนะี่ยมีปัญหาครับเราไม่ชอบแล้วดินด้นรนดิ้นรนจิตใจที่ดิ้นรนเ้าเรียกว่าสร้างพบขึ้นมานะครับอี่าไปหลงกล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 ลูกฝึกที่ดีก็ประคองจิตเอาไว้ตรงกลางอีกนะเอ <c oughs> หลวงพ่อมาบอกว่าเอ้ตรงกลางก็อย่าไปประคองอย่าไปรักษาไว้นะ <c oughs> ปล่อยเลยไม่คิดอีกทํำยังไงจะปล่อย <c oughs> รวมความก็คือในใจเราเนี่ยไม่คิดแต่ว่าทํายังไงเราจะดีทํำยังไงเราจะถูกเราคิดแต่คำว่าทำ <c oughs> ให้เรารู้กายเป็นยังไงรู้ลงไปจิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปไม่ใช่ให้ทําอะไร นั้นจิตกระจายออกไปรู้ว่ากระจายไม่ต้องทําให้เข้ามานีบ่บางคนไม่เข้าใจพอจิตออกไปข้างนอก<ม>ก็วก<ม>เข้าข้างในเลยเพ่งเข้าข้างในลึกๆๆ ล, ล, ลงไปข้างในเรื่อยๆหลวงพ่อเคยเป็นเหมือนกันแล้วไปเจอหลวงปู่สิมเข้าหลวงปู่สิมท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมานอกๆ น, นี่ครับทีแรกได้ยินว่าให้ออกไปนอกๆ น, น, นะฟังแล้วงงนะ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 น่านเราดูไปเรื่อยดูเหมือนดูคนอื่นนะกายนี้เหมือนกายคนอื่นใจนี้เหมือนใจคนอื่นดูไปอย่างนี้เรืเอ่อยๆค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเร า, เ, าเดี๋ยวคุณดำเกลงใ ห, ให้ให้หนุ่มข้างหลังกันด้วยเดี๋ยวจะเกรงนานอนะ่ะพคุณดำเกลงนะ่าไม่เกรงแล้ว <c oughs> อ้าวว่าไปต อ, อนเช้ารู้สึกดีดีด แต่พอมาหลังกินข้าวรู้สึกว่ามันมันกระจายกระจายพิลึก<อ>กระจาไม่ถูกไม่เป็นไรนะคือสําคัญคือไม่ชอบมันพยายามกดมันอะตอนนี้กดอยู่แล้ครับนอ่วนดอยู่แต่ทื่อๆอยู่หนหนึ่งรู้สึกไหมมันมีความนิ่งๆซึมๆนิ่งๆอยู่อ๋อ้หรครับคือช่วงนี้มีความรู้สึกว่าจิดฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมจิดฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านไปนะครับอย่าไปน้อมให้ซึมนะ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 ไม่เป็นไรนะรู้ไว้เฉยๆครับถ้าดูยังไม่ออกเราไปดิ้นรนจะดูให้ออกนะยิ่งเสียเลยยิ่งฟุ้งซ่านกว่าเก่าอีกเราก็ฟังเล่นๆไว้ว่าเอ๊ะตอนเนี้ยครูบาอาจารย์เนีบอกว่ามันมีความนิ่งผิดปกติเป็นแบ็กกราวด์อยู่เขารู้ไปงั้นแล้วแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูอย่างนี้เรื่อยๆไปครับอย่างตอนเนี้ยรู้สึกไ้มใจสว่างกว่าแต่กี้ ดู อ, อมันมันไ ม, น ม, นมน่ดูไม่ออกว่าสว่างแต่ดูมันรู้สึกค้าคลายอะครับมันจยคลายมันไม่ได้ไปกดไว้อย่างต่กี้นี้ตะกี้ไปกดไว้เป็นแบ็กกราวเลยโอ้โห <c oughs> นะครับก็ใจจริงๆนะจะต้องโปร่งโล่งเบานะผ่อนคลายถ้าใจนิ่งๆทื่อๆนะแสดง ว, ว่าแอบไปกดไว้เนี่ยอย่างเนี้ยน้อมเข้าไปตรงเนี้ยรู้สึกไหมมันคล้ายๆมันน้อมใจให้ริบรีลงไป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 แล้วมีครั้งหนึงเนี่ยนอนอยู่แต่ยังไม่หลับนะเจ้คาค่ะแล้วยินเสียงหมาข้างบ้านเห่าแล้วนี่ยใจเนี่ยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น <ST. S 1> ก็เหมือนกับว่าจิตน่ยวิ่งไปดูเจ้าค่ะที่หน้าตา่างแต่กายเนี่ยยังนอนอยู่ออตอนนั้นไม่รู้แต่มารู้ตอนที่ว่ามันไม่เห็นน ะ, ะเจ้าค่ะคือจิตเนี่ยวิ่งไปแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าก็กายไม่อยู่ตามไม่ได้ไปเจ้าค่ะก็เลยไม่เห็นตอนนั้นก็เลยอ๋อเห็นแยกออกจากกันจริงนะจิตวิ่งไปเนี่ยเห็นได้ด้วยเห็นได้ด้วยจิต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 เจอโลห์ูเตี่ยนะจิตมันพุ่งเข้าไปอยู่ข้างในเลยหูเหมือนกับว่าแต่ก่อนเคยได้ยินเรื่องผีสิงคนใช่ไหมเนี่ยคนสิงผีนะ <Okay. S 1> <c oughs> โอ้โหมันเหม็นนะเหม็นอะไรก็ไม่เหม็นเหมือนศพคนนะเหม็นสุดๆเลยเหม็นจนขมในคอเลยนะทั้งจมูกทั้งคอนี่ขมไปหมดเลยนะแมมมันพิจารณาศพพออกพอใจมันแล้วมันก็สบายใจกลับมานะเราแทบตายเลยนะ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 จ่องแล้วถลําลงไปเกาะแต่ว่าพอชํานาญขึ้นเราไม่ต้องชาเนืองมันเป็นเองอาเบอร์ห้ากลายเป็นศูญญตาไปละเบอร์ห้าสอาเบอร์มสิห อ, อืมก <c oughs> ็มั <c oughs> เมนเด็กหัดใหม่ <c oughs> ที่ว่าจะไม่เคร่งเครียดแบบค่อยๆดูค่อยๆแอบมองรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็ยังหลงอยู่มากต้องหลงนะต้องหลง ถ้าไม่หลงเลยต้องรีบมาปรึกษานะต้องเพียนแล้วละ่ะแสดงว่าไปนั่งจ้องไว้ถ้านั่งจ้องนะทําผิดจิตใจเคร่งเครียดขึ้นมาแล้วก็พออยู่อยู่ตอนหน้าหลวงพ่อแล้วรู้สึกมันก็จะอยากอยา ก, อยากให้ดีอะ่ะก็ชิงเกรงใหญ่เลยใช่ใช่ไม่เอาไม่เอาดีนะ<笑><笑>อยู่กับหลวงพ่อนะไม่จําเป็นต้องดีหรอกหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ได้กำหนดว่าต้องดีบอกอย่างเดียวว่าห้ามชั่วหมายถึงอย่าผิดศีลห้าพอละ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 ผมชอบอที่ท่านอาจารย์สอนในซีดีแผ่นที่ิบก้าฮนะว่าคนธรรมดาทั่วไปนะเดี๋ยวก็ไปสะดุดไอ้นู่เนเดี๋ยวก็ไปสะดุดไอนะ้นี่นี่ยะครับผ ม, มผมชอบนะวันนั้นปดีมหายานมามมต้องคุยเรื่องพุท ธ, ธเกษตรน ะ, ะต้มคุณบันเจอภาวนาดีนะภาวนาดีคนระับ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 มันติดถ้าไม่รู้ถ้ารู้ไม่ติดงั้นก็ตามดูได้เรื่อยๆต่อไปถูกกิเลสหลอกให้เลิกพอนา <c oughs> พอนาได้แล้วผ่าไปเลิอกอีกโอ้ <c oughs> เหนียวบ่มเลยคื <c oughs> อภาวะใดๆที่เราภาวนาแล้วเราจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้าภาวะใดเกิดขึ้นแล้วเราพอใจเรารู้ว่าพอใจไม่ติดหรอกถึงมันจะมีอยู่ก็ไม่ติดมันจะอยู่สวันสามคืนก็ไม่ติด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 แต่ถ้ายินดีแล้วไม่รู้ว่ายินดีติดถ้ายินร้ายไม่รู้ว่ายินร้ายนะติดเชิญก็มันมีสุขโชยขึ้นมาค่ะแล้วก็ข้างในก็บอกว่าไม่เที่ยงอพออีกแป๊บหนึ่งมันก็สุขขึ้นมาอีกแล้วข้างในก็บอกว่าไม่เที่ยงก็ดีนะให้มันบอกไปงั้นแหละดีละแล้วก็คุณแม่ไม่สบายอะค่ะแต่ว่ามันมันทุกแบบมันไม่ได้ร้อนนะคะมันทุกแบบ อุ่นๆอะไอย่างเงียังดีนะกิเลสมันลดลงและมันแค่อุ่นๆค่ะแล้วครั้งหนึ่งก้าออกมาจากลิฟต์มันรู้สึกว่าทุกข์แต่ว่ามันเหมือนมันมีอะไรรองรับอยู่อะค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าทุกข์แต่ว่ามันไม่ถึงใจอะไรเงี้ยไม่ถึงใจเห็นไหมความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงใจน่าอ่นภาวนาแล้วเห็นไหมมันไปอยู่นอกๆร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะพวกนี้ไปอยู่นอกๆหมดเลยดีภาวนาใช้ได้ละ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 ยังมีหลงอยู่ครับก็ครั้งนี้มาก็ปฏิบัติทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบครับทีจิตดีขึ้นแล้วนะรู้สึกตัวไหมครับดีแล้วดีแล้วรู้ว่าดีใช้ได้ดีแล้วครับเผลอไปแล้วนะ<ม>เนาะเผลอไปช่วงหนึ่งเลนมะันสการคะ่ะก็ปกติเวลามาวัดรู้สึกมีความตั้งใจมาก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 แตถ้ามันขี้เกียจเราก็รู้ว่าขี้เกียจไปมันอยากขยันไม่รู้เวล่ำเวลาเราก็รู้ไปว่ามันอยากแลรู้ทันไปเรื่อยเรืเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างยังพางนิดหน่อยมาหนึ่งเดือนนี้เห็นอะไรเปลี่ยนบ้างไหมรู้สึกไม่เผลอสั้นลงอนะครับเผลอสั้นลงรู้สึกไหมครับใจโปร่งโปร่งมากขึ้นเห็นไหมเบาขึ้นเรื่องเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวกิเลสเกิดบ่อยรู้สึกไหมครับ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 อย่างแต่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง mm. พรออริยะมรรคครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วเวลาเราดูเรามาเนี่ย mm. มันจะกลวงไปเลยไม่มีเราอีกต่อไปแล้ว mm. อย่างคนทั่วๆไปก็เห็นว่ามีเราแล้วเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นเราคนเดิมนี่ mm. ถ้าเห็นอย่างนี้นะยังเป็นปุถุชนนะเป็นวิธีวัดที่ง่ายๆเลยหลายคนไปภาวนาแล้วบูบูบาบ้าค า, าสติไปแล้วก็คิดว่าเป็นพระอริยะนะให้ลองมาสังเกตใจตัวเองดู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 ดีแล้วพัฒนาแล้วมนุษย์ไฟฟ้าข่าววัสการพระอาจารย์นี่ก็ไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ค่ะ<อ>ก็รุ่นหนึ่งเหมือนกันค่ะ อ, อ, อรู้สึกตอนนี้ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเ<อ> <laughs> มื่อกี้ตื่นเต้นทางคิดว่าไม่นื้นึงน่งวมันจะแรงขนาดนี้เวลามันพื้นขึ้นมา<อ>ค่ะเห็นไหมมันพื้นขึ้นมาเราบังคับมันไม่ได้ใช่ค่ะนี่นเราดูไปเพื่อให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ค่ะจน อ, อมันคลายไปเองอ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 แต่มองไม่ทันมา น, นึกได้ทีหลังอ่าไม่เป็นไรรู้เท่าที่รู้ได้ดีแล้วสองคนภาวนาเรียนมานานนะัแต่มาตั้งวัดนี้ใหม่ๆก็มาเรียนเรียนแทบทุกวันเลยกรนมับส ก, การท่านอาจารย์นะฮะผมมาครั้งที่สามครั้งแรกนี่มาประมาณปีเสรแล้วก็ครั้งที่สองนี่ประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็เอาซีดีของท่านอาจารย์แผ่นสิกับสิไปฟังก็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 เออผมก็ฟังซีดีของพ่อครับแล้วก็ตัตามดูมายังไม่นานเท่าไหร่ครับก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับอ้าวก็ดีนะ่ะดูไปเรื่อยๆเห็นกิเลสแล้วยังเห็นบ้าครับวันไหนกี่หนก็สักแค่ยี่สที่สัก20ทีอะไรครับอะไรนะสัก20ครั้งแล้วเอาให้ได้เยอะๆนะครับเอาให้ได้นาทีละ20ครั้งครับเพราจริงๆนะกิเลสมันเกิดทุกๆ วินาที2วินาทีมันเกิดแล้วล่ะโดยเฉพาะโมหะใจเราเผลอใจเราไหลไปแวบบแวบบแวบนบี่จะเร็วมากหลวงพ่อจะพาให้ดูไหมอยากดูไมมใจที่หลงไป ด, ดูความเร็วของมันนะเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมงงแล้วความงงเกิดขึ้นไม่เห็นรู้สึกหมเนี่ยให้รู้ลงไปนะเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกหมมันเรือนเรือนเลิบเลี่ไปใช่ค่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 เบาสบายปโปร่งมากเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยนะคะมันเห็นถึงความเกิดดับของกายไนีชัดเจนยิ่งขึ้นกายมันไม่มีเลยะะเห็นถึงความที่มันเป็นาธาตุขันเห็นถึงเป็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์ที่มันมีแต่พลังที่เชื่อมกันเท่านั้นเองมันมันมันเข้าใจได้ยิ่งขึ้นมันมีความละเอียดตรงนั้นนะคะส่วนนามธรรมนี่นะคะมันเห็นชัดเจนถึงว่าวิญ ญ, ญาณ ร, รับ มันสัญญาเสริมเข้ามาสังขารปรุงแต่งเข้ามามแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้น ม, มันเป็นมันเป็นคล้ายๆกองกองอยู่แล้วก็มีความเหนียวนำของคลื่นพลังอะคะ่ะ ม, มันมันรู้สึกเห็นถึงความเกิดดับ<ม>อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะที่นั่งปฏิบัติเนี่ยนะคะนั่งสมาธิทุกวันเนี่ยนะคะกายมันไม่มีเห็นถึงความเกิดดับส่วนจิตเนี่ยมันก็รู้สึกอยู่แต่มันก็มีสภาวะของการเกิดดับเนี่ยนะคะ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 ต่อไปแบบนี้ต่อนะคะภาวนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไ่้ไหมคะนิสโต้คอยรู้ทันนะเราชอบไปสร้างความเป็นไนยนิ์ขึ้นมาสร้างอัตลักษณ์ของเราขึ้นมาแล้วพอเวลาเราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรพอเราจะเข้าใกล้คนอื่นปุ๊บมันจะมีไนยนิสขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะนัให้รู้ทันตัวนั้นค่ะไม่งั้นเราจะรู้สึกมันจะเป็นดาราไปเลยเป็นนักแสดงอ่ะมันไม่ใช่ตัวจริงค่ะให้เรารู้ทัน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 ิไม่ค่อยมีกำลังช่างมันครื่องขอมันมีความสุขกว่ากว่าที่ก่อนจะถึงบัดเนี่ยแมันแน่นแน่นตอนนี้มันสบายแล้วถ้าอะไรก็ได้นะสบายนะแต่ถ้าเราจะต้องดีแล้วจะส่งกันบ้านเนี่ยไม่สบายบบอะไรก็ได้นะอ้าวคุณพัชชณีรู้สึกว่ารู้สึกตัวบ่อยขึ้นค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ไม่ทราบว่า ถูกต้องหรือเปล่าถูกนะแต่ตอนนี้ประคองนะค่ะไปส่งไปกลับมัพ ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งเพิ่งหัดปฏิบัตินะคะก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ก็รู้สึกรู้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนอมสมัยก่อนอเวลามีกิเลสจะแบบจะทุกข์จมอยู่นานเลยอ่เนี่ยเราฝึกนละ้วเราช่วยตัวเองได้เราไปชีวิตเราจะมีความสุขอยู่ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นเยอะหรอก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 แต่ถ้าเราเห็นาธาตุขันนี้เป็นทุกข์นะแล้วเราเป็นกลางกับมันเราไม่ทุกข์ด้วยเราจะเห็นาธาตุขันนี้เป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ผมควรจะทำสมถะมากก็ทำไปอย่างนี้พุทโธไปเรื่อยทั้งวันเลยนะพุทโธแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆกาบนิมิตการส ม, มพ่อนะครับผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอ่ะฮะก็รู้สึกชอบนะฮะก็คงต้องขอแนว ปฏิบัติวิธีปฏิบัติจากหลวงพ่ออีกทีกด็กดูใจของเราไปนะ <c oughs> แต่ละวันใจเราเดี๋ยวสุ ข, <c oughs> สขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆไม่ไปบังคับเขาครับ <c oughs> ใจเราเหมือนเด็กนะเด็กไม่ไม่ชอบถูกบังคับหรอก <c oughs> เราปล่อยให้เด็กนี่ซนไป <c oughs> เดี๋ยวเด็กก็หัวเราะ <c oughs> เดี๋ยวเด็กก็ร้องไห้เราคอยตามดูอยู่ห่างๆกลับมาสการ์ค่ะหลวงพ่อก็ดีใจค่ะที่ได้พาพี่เข้ามาด้วยวันนี้ก็มีซึมหน่อยๆค่ะ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 อย่างบางครั้งเนี่ยถ้ามันจิตมันคิดขึด้นมาลืมสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้สึกว่ายัางไงคะพ่ออาจารย์อะไรนะจิตอะไรนะมันมันนึกขึ้นมาได้ว่า y, ลืมทำนั่นลืมทํานี่อย่างนี้เราต้องรู้สึกว่ายัางไงคะไม่ต้องรู้สึกอะไรก็รู้ว่าลืมทําไปอสมควรทําก็ไปทำอ๋อค่ะแล้วเกิดรู้สึกว่าลืมทําแล้วโมโหตัวเองไหมมันลืมอีกแล้วโมโหนะรู้ว่ามโมโหเนี่ยค่ะ